เราก็จะไปเล่นในช่วงวันหยุดซึ่งไม่เหมือนกับพวกนักกีฬาเมืออชีพเขาจะเล่นกีฬาซ้อมกีฬาทุกๆุกวันเพื่อที่เขาจะได้เข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัแลแต่พวกนักกีฬาเมืออชีพนี้ก็เล่นไปเพื่อความผ่อนคลายเพื่อเสริมสร้าง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 ผู้ที่จะได้รับผลคือมรซีผลสีนิพพานอย่างนี้รูนเป็นผู้ที่เป็นมืออาชีพท้งนั้นคือเป็นนักบวชท้งนั้นครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเรากราบไ่ว้บูชาที่เราเคารพนับถือที่เรารู้ว่าได้บรรลุมรซีผลสีนิพพานอย่างนี้แล้ว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 ปริ ย, ยักับปฏิบัตินี้ไม่ได้แยกออกจากกันปริยัตยิกับปฏิบัตินี้ไปคู่กันไม่เหมือนกับสบายนี้ที่จะมีการแยกปริยัตยิออกจากการปฏิบัติเช่นให้เรียนปริยัตยิธรรมไปจนถึงจบบาลีปรียัณเก้าแล้วค่อยออกปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าและคุ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 ที่สามารถบรรลุธรรมได้ทันทีทันใดที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งๆ ท, ที่ยังเป็นคารวะเป็นผู้ที่ถือถือศีลห้าอยู่อันนี้ถือว่าเป็นกรณียกเวน้นท่านได้มีบุญบรารมีที่ของเก่าค้างๆอยู่ในจิตในใจท่านเคยมีสมาธิมาก่อนแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรม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 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นอนัตตาทั้งนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและธาตุรู้คือใจใจที่มีโมหะอวิชชามีกิเลสตัณหาคอยวงการมีเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พิจารณากันเราจึง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 เราอยู่ในสมาธิได้นานเท่าไหร่อุเบกขาของเราก็จะมีกําลังมากขึ้นไปเท่านั้นถ้ามีกาลังมากเท่าไหร่ก็จะสามารถต่อต้านต่อสู้กับอำนาจของโมหะอวิชากิเลสตัญหาได้มากขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเหตุผลที่เรานั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันนี้ก็เพื่อให้ได้เกิดอุเบกขานี้ พอเกิดอุบเบกขาแล้วก็ต้องพยายามประคับประคองรักษาให้มันตั้งอยู่เป็นอุบเบกขาให้ได้นานที่สุดแล้วไม่มีที่ไหนจะตั้งใจให้เป็นอุบเบกขาได้ดีที่สุดเท่ากับขณะที่อยู่ในสมาธิเพราะเวลานั้นไม่ต้องมารับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและผ่านทางความคิดปรุงแต่งใจเราก็จะ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 เมื่อไม่มีเกิดตัญหาอุเบกขาก็ยังจะคงอยู่ต่อไปได้แต่เวลาใดที่เผลอปล่อยให้ใจคิดแล้วพอเกิดตัญหาขึ้นมาไม่มีความสามารถที่จะใช้ปัญญามากำจัดตัญหานี้ได้ใจก็จะเริ่มวุ่นขึ้นมาจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนอก็มีทางเดียวเท่า น, นั้นที่จะหยุดนี้ได้ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่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 มัลสีผลสีนิพพานหนึ่งด้วยการหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นไปตามลําดับ จ, จ, จนปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับได้นี้พระพุทธเจ้าได้ส่งพยากรณ์ไว้แล้วว่าเจ็ดวันก็ได้ผลถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็เจ็ดเดือน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 สมาธิก็จะตามมาเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะพิจารณาเห็นธรรมได้เห็นไตรลักได้เห็นอริยสัจสี่ได้เมื่อเห็นธรรมเห็นไตรลักเห็นอริยสัจสี่ก็จะตัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาได้พอไม่มีกิเลสโมหะอวิชชาจิตใจก็สะอาดบริสุทธิ์บรรลุมรรคสีผลสีนิพพานเห็นได้นี่คือขั้นตอนของธรรมต่างๆ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 ยะถ า, าวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวอิโตทินางเปตานาังอุปกับปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิด ป, ปะเมวสนิจจตุสพเพปุเรนตุสังกป่า จันโทปนาราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพโรโววินัสตุมาเตภวทวันตาโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวัธนสีลิสนิจังุทธาปจายโนยตาโรธรมาวทานติ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 ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะให้คุณตอบถามปัญหาจากทางอินเทอร์เน็ตกม่จัผ่านียวผ้าขนาดนั่งนั่งระเบาสบายน้ำตามันไหลไม่อยู่ตังคะก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไหลไปภาวนาต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปเดี๋ยวมันไหลได้มันก็หยุดได้มันเป็นเรื่องของ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 ภาวนาต่อไปเดี๋ยจะถาเออเอาไมาใกล้ๆปากหน่อยเออนั่งแบบตาตานนอ ก, นอกมันหลับแต่ตาไหนมันสว่างะคะะแต่แบบว่าพอนั่งนั่งไปแล้วเขาเราก็ไม่สนใจอะไรเน้ยแต่มันอยู่กับลมกับจมูกอยู่ระหว่างเนี้ย นี่ก e e, ็หลับมือเราก็มันมีอะไรลอยมาเขาขาวแล้วเราก็ไม่สนใจเอออย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นให้สนใจอันนี้อนี้พอไม่สนใจนี่ลมที่อุ่นๆมันไม่อุ่นแล้วนี้มันเป็นเย็นพอเย็นเย็นเย็นออกมาอันนี้มันพอเย็นเย็นออกมาเนื้เข้ามันมีกลิ่นออกมาค่ะมันเหม็นอ่ะไอตัวมันออกมาเหม็นๆอ่ะก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปดูลมต่อไปหรือว่าเหม็นก็รู้ว่าเหม็นหรือว่าหอมก็รู้ว่าหอม อาจารบอกว่าหายใจหยากก็รู้ว่าหยาบหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดรู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งกับมันให้รู้เฉยเฉยแล้วมันมันทําถูกหรือเปล่าคะถ้าถ้าดูถ้ารู้เฉยเฉยก็ถูกถ้าไม่รู้เฉยเฉยรู้แล้วไปเกิดอารมณ์กับมันก็ไม่ถูกพยามิอยากเห็นนากรัไม่อยากก็ผิดแล้วอยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้ให้อยู่กับความจริง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 ช้าบ้างถี่บ้างจุดประสงค์เพื่อควบคุมความคิดโดยไม่ต้องคาดหวังว่าจิตจะรวมเป็นอุเบกขาใช่ไหมเรารู้อย่างเดียวคืออยู่กับพุโทโธใช่แล้วก็ให้อยู่กับพุโทโธไปมันจะสงบไม่สงบสงบช้าหรือเร็วหรื อ, ร อ, รอมากหืน้อยก็เป็นเรื่องของมันเรื่องของเราก็คือการบริกรรมพุโทโธของเราไปเราก็บริกรรมไปเรื่อยๆเหมือนกับการรับประทานอาหาร มันจะอิ่มช้าอิ่มเร็วอิ่มมากอิ่มน้อยก็เรื่องของมันเรื่องของเราก็คือตักอาหารเข้าปากเคี้ยวแล้วก็กลืนเขไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อิ่มเองข้อที่สองแล้วถ้ายังไม่สงบบางทีท้อเบื่อเกลียตัวเองต้องมีอุบายดัดจิตใจที่ดื้อ ย, ยังไงเช่นตั้งใจอดน้ําไปเรื่อยๆได้ไหม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 ภูบาของแต่ละคนที่จะเอามาใช้ในการกำหลับกิเลสตัณหาต่างๆข้อสองจุดหนึ่งนะครับเวลาท้อจากการภาวนาไม่ก้าวหน้าต้องทำอย่างไรแต่ไม่ถอยแน่นอนท่านก็สอนให้เราเลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาเหมือนกับเราท่านก็มีความท้อแท้เหมือนกัน แต่ท่านไม่ถอยท่านไม่เลิกท่านก็สู้ต่อไปเวลาไหนสู้ไม่ไหวก็ผ่อนหน่อยก็ได้พักสักหน่อยก็ได้พอมีกําลังก็กลับมาสู้กันใหม่แต่ไม่เลิกไม่ถอยถ้าเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเลิกเลิกถึงพรทธรรมคำสอนเราเลกถึงพระอรหันตสาวุกเราก็จะเกิดสติเราก็จะเกิดกาลังใจขึ้นมาความ ท, ท้อแท้เบื่อหน่ายก็จะหายไป บางทีเวลาที่เราเท้อแท้ก็เปิดฟังธรรมะไปก็ได้ฟังเทศของครูบาอาจารย์แล้วจะเกิดกำลังใจขึ้นมาครูบา <c oughs> อาจารย์ท่านถึงเรียกมาอบรมอยู่เรื่อยๆทุกห้าวันหกวันเจ็ดวันนี้ท่านจะเรียกประชุมพอได้ฟังเทศฟังธรรมของท่านแล้วเหมือนปลาได้นะ้ำมันมันดีดมันดิ้นมันมันมีพลังขึ้นมานธรรมะนี่คือเขาเรียกพลังธรรมเป็นอย่างนี้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 ดังไม่ต้องไปกังวลเรื่องของคนอื่นการไปกังวลเรื่องของคน อ, อื่นนี่ยทําให้ไปทําให้คนอื่นเขาลําบากเพราะชอบไปยุ่งกับเขาชอบไปบังคับให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้กินอย่างนู้นกินอย่างนี้พอเขาไม่ทําตามไม่กินตามก็โกรธขึ้นมาเสียใจขึ้นมาอีกแล้วปล่อยเขาต่างคนต่างอยู่เรื่องของร่างกายจิตใจของแต่ละคนนี่แต่ละคนจะต้องเป็นผู้ดูแลเองถ้า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 เสมอเสมอมีวิธีทางใดให้หลานคนนี้กลับใจฝ่ดีได้บ้างเจ้าคะผู้เป็นย่าแม่และคนในครอบครัวต้องทำอย่างไรก็ต้องสั่งสอนเขาให้เขาเห็นคุณเห็นโทษของพฤติกรรมของเขาถ้าเราสอนแล้วเขาไม่เห็นเขาไม่ทำตามก็ต้องตัดทางปล่อยวัด คำถามข้อต่อไปจะคุณก๊อฟนะครับคำว่าสัญญาละเอียดอ่อนมากเป็นเครื่องมือของกิเลส ข, ขอพระอาจารย์เมตตาข้อธรรมด้วยครับขอถามเรื่องปฏบิบัติบางครั้งในเวลาชีวิตประจำวันเวลามีเรื่องให้กระเทือนใจหรือเรื่องอะไรที่ต้องหยุดความคิดนั้นนอกจากพุทโธลูกใช้ทรงภาพพระพุทธรูปบ้าง แสงสว่างบ้างอันนี้จะเป็นกิเลสประเภทหนึ่งไหมครับอะไรที่สามารถมาหยุดความคิดตงแต่งได้ก็เป็นธรรมทั้งนั้นเป็นสติทั้งนั้นสตินี้เครื่องมือของสตินี้มีอยู่ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบพวกแสงพวกสีนี้ท่านเขอยู่ในจัดไว้นี้ในกลุ่มของกถินสิบกรสินสิบใน่กถิน <laughs> สิบกรสินก็ให้เรานึกถึงสีต่างๆ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 ที่ใช้คาว่าพุโทโธก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับข้า ว, ข, า ว, าวข้าวเปล่านี้กินได้ทุกคนข้าวเปล่านี้กินได้ทุกคนแต่กับข้าวนี้บงังคาบให้กินไม่ได้บางคนก็ชอบซ่อมตำบางคนก็ชอบกว๋วยเตีเ๋ยวอันนี้ก็เหมือนกันกับข้าวมันก็กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันแต่ข้าวเปล่านี้มันทุกคนกินได้หมดก็เลยมักจะเอาข้าวเปล่ามานี้เป็นเป็นอาหารหลักไว้ก่อน ไปกินที่ไหนต้องมีข้าวใช่ไหมไม่ได้กินแต่กับอย่างเดียวแต่กับนี่มีหลากหลายชั้นใดกรรมฐานสี่สิบก็มีหลากหลายด้วยกันจะใช้อย่างไรก็ได้ถ้าไม่รู้จะใช้อะไรก็เอาข้าวเปล่าก่อนเอาพุโทโธไปก่อนคำถามข้อต่อไปจากคุณแมนนะครับจปะปกคองชีวิตคนในครอบครัวให้มีความสุข ให้ผู้จ่าดีมีอารมณ์ที่ดีให้คนในครอบครัวเต็มไปด้วยความรักความสงบสุขส่วนชองเราที่เราทำได้ก็คือให้มีความเมตตาต่อกันมีมีพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณาโุฎิตาอุเบกขาเมื่อเรามีแล้วเขายังไม่เป็นตามเขายังเป็นเหมือนเดิมหรือเขาไม่ดีขึ้นก็ช่วยไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปนะเขาอยากจะไม่ดี ก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากเราแล้วแต่ถ้าเราไม่มีความเมตตากรุณามมฎิตาอุเบกานี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่ดีได้ดังนั้นเราต้องมาแก้ส่วนของเราทาส่วนของเราส่วนของเราก็คือเราต้องมีความเมตตากรุณาโมฎิตาอุเบกขากับทุกๆคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยแล้วเราจะไม่เป็นตัวไปสร้างปัญหาให้กับเขา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 ถ้าเขามีความโลภโมโทสันน้อยเขาก็จะมีความทุกข์น้อยเขาจะต้องเป็นผู้กระทํากําจัดความโลภโมโทสันเองถ้าเขาอยากจะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเราไม่สามารถที่จะไปกําจัดความโลภโมโทสันของเขาได้คําถามข้อต่อไปจากคุณคนน่ารักนะครับ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 ส่วนการเห็นแก่ตัวด้วยการเอารัดเอาเปรียบหาความสุขหาประโยชน์ใส่ตนมากเกินไปด้วยบนกองทุกข์ของผู้อื่นอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแบบเป็นกิเลสไม่ควรจะกระทาเพราะการเห็นแก่ตัวแบบที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์นั่นเองคําถามข้อต่อไปจะคุณปิยะนะครับ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 การไปก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเพียงแต่ว่าการไปนี้ก็ไปเพียงแต่ร่างกายแต่ใจนี้ก็ยังต้องดําลึกถึงพรกุลของพ่อของแม่อยู่เสมอและต้องมีการติดต่อมีการารับรู้สารทุกข์สุขติดของการอย่างเสม อ, อที่ต้องไปเพราะหนึ่งยังมีกิเลสตัณหายังอยากจะอยู่ตามความพอใจของตน อยู่กับพ่อแม่อาจจะไม่สามารถทำอะไรบางอย่างที่จะอยากจะทำได้ก็เลยต้องไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าไปเพียงแต่เพื่อให้ได้มีสัดส่วนที่อยู่เป็นของตนเองเช่นอยากจะไปปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องไปจะออกจากบ้านไปเหมือนกันหรืออยากจะออกไปกิ่มเหล้าเมายาเล่นการพ น, นัน ก็ต้องออกไปจากบ้านเหมือนกันจะมาทําในบ้านก็คงจะไม่ได้ดังนั้นการออกไปนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรเมื่อถึงเวลาที่ไปได้ก็ไปแต่ต้องดูว่าไปแล้วผู้ที่เขามีพระคุณกับเราเขาเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเขาเดือดร้อนเขายังต้องพึ่งพาอาศัยเราอยู่เราก็ต้องอยู่ต่อไปเพราะว่าเราเคยพึ่งพาอาศัยเข้ามาก่อน ตอนที่เราออกมาจากท้องเขานี่ถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ได้หรือเปล่าพอตอนนี้เราไม่ปีกบินได้แล้วเราลืมพระคุณของเขาแล้วหรือยังไงตอนนี้เขาเพึ่งเราเขาเดือดร้อนเขาไม่มีเราอย่างนี้ถ้าเราไปเราจะทำได้ลงคอหรือถ้าเรามีความเมตตามีความสำนึกในพระคุณของเขาดังนั้นการจะไปหรือไม่ไปก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบก่อน คำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับพระพุทธเจ้าตอบคําถามสุภัสและปริปาชกปาชกก่อนจะปรินิพานที่ที่สุภัสทะถามข้อสองว่าสมณะภายนอกศาสนาของพระองค์มีอยู่หรือไม่แล้วพระพุทธเจ้าตอบว่าศาสนาใดไม่มีมัชมีองค์แปดสมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้น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 เช่นสอนมรรคเจ็ดแทนที่จะเป็นมรรคแปดการปฏิบัติผลก็จะไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองจะบอกว่าไม่ใช่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้เพียงแต่ว่าอาจจะสอนไม่ครบ<ม>ขอให้เราดูตรงที่ว่ามรรคที่มีองค์แปดนี้ครบท่วนบริบูรณ์หรือเปล่าถ้ามีครบถ้วนบริบูรณ์ก็ถือว่าเป็นคาสอนที่สมบูรณ์<ม>ถ้ายังไม่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 คำถามอินเทอร์เน็ตหมดแล้วครับแต่มีคำถามต่อเนื่องจากคำถามห่วงสุขภาพะอาจา์ครับออคือเป็นอยากถามมานานแล้วครับคือว่ า, ามีโยมาบางท่านนะครับระอาจา์ที่ระยะหลังมานี้ไม่ได้ขึ้นเข า, าวันธรรมะบนเขาเลยโดยมีเหตุผลว่ า, าคนเยอะไม่อยากขึ้นมาอย่างนี้ครับอย่างนี้เป็นความคิดที่ผิดหรือถูกครับระอาจา์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 ปิดอพอาจามอปิดไม่ให้กลับกันแล้วก็มาถามกัน <c oughs> มันต่อเนื่องคล้ายๆกับของคุณต่อค่ะเนื่องจากว่าธรรมะเนี่ยที่เกยเราแม้กระั้งเรื่องฐานเราจะเห็นว่าพระอาจารย์จะสองไว้สอนระดับ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 เขาทำตรงเงินข้ามพอชวนหรือว่าจะให้ทําบุญเขาบอกไม่จําเป็นละแต่เขาทําตรงข้ามก็คือว่ากลับไปทํามาหากินกันอย่างเต็มที่แทนที่จะเก็บตัวภาวนาเก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราท่าหน่อยเราไปยุ่งกับเขาทําไมคนในโลกนี้ก็ทํางานที่มันต้องเยอะแยะทาไมเราไม่ไปวุ่นวายกับเขาพอไปเจอคนที่อวดว่าภาวนาเป็นแต่ยังทํางานอยู่ก็เลยสงสัยเลย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 ก, ก, การนันทสการนะคะเอ อ, อยากเรียนถามว่าเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิใหม่เลยะคะ่ะคุณจะนั่งนานแค่ไหนคะก็นั่งให้นานที่สุดถ้าที่นั่งได้เหมือนกับไปขุดทองคุณจะขุดนานเท่าไหร่ดี <c oughs> คุณจะขุดแค่สองนาทีคุณก็ได้ทองสองนาทีถ้าคุณขุดทองห้านาทีคุณก็ได้ห้านาทีคะ <c oughs>